ทนฟังคะ่ะได้ฟังพระสู่ที่เป็นพุทธวัจนะจากพระมาร์คชาควโรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนแห่งวัดป่า ด, ดอนหายโศกจังหวัดดอนทานีมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะในรายการสรนสนีสนทนาค่ะนวัศ ก, การคะท่านคะ่ะใช่จันเรพรค่ะรู้สึกระยะนี้นี่จะมีคําถามเข้ามาเยอะนะคะทั้งที่สถานีแล้วก็ทั้งที่ อาจากคำถามทางบ้านด้วยใช่เป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้ถามเปิดทาที่ถูกปิดใช่ค่ะก็เรียกว่าต้องการให้มีคำถามเพราะว่าจะได้ตรงกับความต้องการของผู้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีความคิดของคนคนเดียวที่ตั้งคำถามขึ้นมามันอาจจะไม่หลากหลายครอบคลุมกว้างขวางเพียงพอกับผู้ฟังซึ่งเป็นคนจานวนมากนะคะอาจารย์ทีนี้อยากจะขึ้นต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนเป็นเกรดความรู้ เล็กๆน้อยๆที่อ่านแล้วออก็น่าจะมาบอกนะเพราะว่าคงจะมีพฤติกรรมคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่นั่งดูทีวีนานท่านฟังค่ะดิฉันเองไปอ่านคอลัมน์ในหนังสือมติชนมานะคะเขาบอกว่าทีวีนี่ยค่าคนดูได้หากนั่งดูนานอ่านแล้วก็ตกใจเพราะว่าระยะหลังเนี่ยมีเวลาว่างมากบางวันก็ดูทีวีนานดูได้นานถึงขนาดสี่ชั่วโมงอย่างที่เขาว่าเลยด้วยซ้ํานะคะออซึ่ง เ, ออเขาบอกว่า ถ้านั่งหน้าจอทีวีเกินมลสีชั่วโมงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะตายก่อนคนที่ดูทีวีแบบจำกัดเวลาเพราะร่างกายกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกใช้งานไม่มีโอกาสเผาผลาญ น, น้ำตาลกับไขมันอย่างเพียงพอเขาศึกษานานมากนะคะศึกษาทั้ง6ปีแล้วเขาก็ตัดเงื่อนไขเรื่องของบุรีอายุเพศน้ำหนักตัวการออกกาลังกายออกไปจากในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเหลือแค่การเสพทีวีอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะานั่ง ปฏิบัติธรรมนานๆเนี่ยหมาไม <c oughs> แทนที่จะนั่งนั่งดูทีวีนานๆมีความเสี่ยงอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมแต่มาไม่เคยเจอว่าใครนั่งสมาธิแล้วมีอันตรายแบบนี้มีแต่ว่านั่งสมาธิแล้วเกิดประโยชปกติมีไหมคะคนที่นั่งกันนานขนาดดูทีวีแล้วเกิดอันตราย4ีชั่วโมงนะคะคือถ้าเปลี่ยนจากการนั่งดูทีวีเนี่ยมันเป็นการนั่งสมาธิถ้า <c oughs> เป็นการดีมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกต่อโภมาจันทร์เนี่ยเป็นเสี้ยนหนามต่อการประพฤติโภมาจารย์ต่อการสมบูรณม อ, อินทรีย์อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสมบูรณมอินทรีย์เพราะว่าเราต้องการมีสมาธิการสมบูรณ์อินทรีย์จะเป็นเหตุให้ได้สมาธิถ้าเธอไม่สร้างเหตุแหการสมบูรณมอินทรีย์โดยการไปดูทีวีเนี่ยสมาธิเราไม่เกิดงั้นดิฉันก็ทํำท่าจะแย่สิค่ะสงสัยต้องเลิกพฤติกรรมนี้ทีนี้ถามว่า <c oughs> ดูทีวีเรามีสติ <c oughs> ได้ไหม ไม่เพลินไปตามปัสสะที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ก็ได้พบเหมือนกันนะคะก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเรานั่งดูทีวีเนี่ยมันทําให้เราฟุ้งไปตามเรื่องที่เขานําเสนอเหมือนกันอทำไมครับบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เราคิดตามว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนั้นผิดคนนี้ถูกคิดอยู่อย่างนี้เอาเป็นว่าเป็นเกรดความรู้สําหรับผู้ที่ยังดูทีวีอยู่ผู้ที่อชอบอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆแต่ว่าสําหรับการทําสมาธิแล้วการที่เซฟ ความบันเทิงในลักษณะนี้<ช>นะคะหรือไม่ต้องความบันเทิงไหมคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันทําให้เราทรงออกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการก้าวหน้าใช่เป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรต้องมีเครื่องล่ออันนี้ไม่ควรเสพอ๋อค่ะแต่เสพพอประมาณอย่างเป็นสติยังพอได้นะคะยังมีสติเดี๋ยวเดี๋ยวคนเลยบอกว่างั้นเลิกฟังรายการนี้เพราะว่าเคยเห็นสุภาสิตฝรั่งนะคะเขาก็บอกว่าแม้ มีคนกล่าวว่านะคะการไปอ่านหนังสือมามีคนบอกว่าดื่มสุราไม่ดีทำไอ้นุ่นไม่ดีทําไอ้นี่ไม่ดีสุดท้ายเขาบอกเขาก็เลยเลิกแต่เลิกอ่านหนังสือค่ะก็คือมีมีคนกล่าวอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการคลุกคลีเนี่ยไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าก็มาพูดอีกที่หนึ่งบอกว่าเราไม่ได้ประนามการคลุกคลีเสียทั้งหมด แต่การคุกคลีใดคือคุกคลีด้วยทำมิกถาคือเรื่องปรารบความเพียรคุกคลีกับการบปราบความเพียรคุกคลีกับการเสพเสนาสนะอันสงัดคุกคลีกับเรื่องศีลเราสรรเสริญการคุกคลีประเภทนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราประนามอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วสุดโต่มันไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะคะทุกอย่างก็เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงค่ะท่านอาจารย์คะ คำถามเดี๋ยวนี้มีเข้ามาเยอะนะคะส่งไปที่เว็บไซต์ของท่านอาจารย์ก็เยอะนะคะใช่ๆเว็บไซต์ www.purethamma.com/ <ite>, 1 uh, www. 0 6ค่ะคนนี้ก็คงจะส่งไปที่นั่นเหมือนกันบอกว่าดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ชอบศึกษาธรรมะแต่จะศึกษาเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ได้เจริญอาณาปานาสติหรือดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่าทำทีไรสมาธิก็ไม่ตั้งมั่น แต่เมื่อหันมาเจริญสติปัฏฐานสี่สมาธิกลับตั้งมั่นอย่างเช่นเมื่อโกรธหรือหงุดหงิดไม่สบายใจถ้ามีสติเกิดขึ้นดิฉันจะระลึกทันทีว่านี้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมไม่ใช่เราทำให้ความโกรธที่มีอยู่ลดลงเหมือนใจเราเบาขึ้นแต่ถ้าเจริญอน า, นาปานาสติเมื่อไรเหมือนกับการบังคับจิตใจตัวเองเอต่อไปนี้เป็นคาถามนะคะ<อ>จึงอยากเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่า การปฏิบัติแบบนี้ผิดหรือไม่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงสันเซินและเจริญอาณาปานาสติอยู่เสม อ, อมสงสัยฟังรายการนี้มากนะคะใช่ใช่แหมถามได้รายละเอียดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเลยต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสันเซินการทําสมาธิหลายรูปแบบกายคตาสติอาณาปานาสติอะไรต่างๆก็มีเพราะพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ในวิหรารธรรมชื่อว่าอาณาปานาสติอยู่ด้วย ก่อน <Okay. S 1> ตรัสรู้ก็ได้ทำอนาปานาสติด้วยทีนี้ประเด็นที่เจ้าของคำถามนี่คือคุณวันนาต้องเข้าใจก็คือว่าอนาปานาสติเนี่ยก็คือสติปฐานนั่นแหละเพราะว่าแต่สติปฐานของอนาปานาสติเนี่คืออะไรถ้าเราเห็นลมนะมีสติอยู่กับลมลมเนี่ยพระพุทธเจาบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย แต่ถ้าเรามามีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่มีเวทนาอยู่ในลมหายใจเนี่ยเวทนานั้นนะ่ะคือเวทนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกอยู่ในลมหายใจนั่นแนหะคือดูเวทนาละคือเวทนาสติปัฏฐานอันดับที่3พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอยู่เนี่ยนะจิต สติเนี่ยจะติดอยู่กับจิตเพราะฉะนั้นจิตของเธอเนี่ยที่มีสติอยู่อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเธอเนี่ยมีเจริญจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานละอ <Okay. S 1> แล้วถ้าเธอเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้คือความเกิดดับเนี่ยของอะไรก็แล้วแต่ที่ ท, ที่เกิดขึ้นระหว่างมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก น, นั่นแหละคือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วอาาานาปนสติ คือสติปัฏฐาน4ี่การ <G ain S 1> เจริญสติปัฏฐาน4ีนั่นเองทีนี้ถามว่มาอาตมาพอจะเข้าใจเจ้าของคําถามว่าเอ๊อดูลมหายใจเข้าออกแล้วไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นแต่พอมาจเจริญสติปัฏฐานสี่สมาธิกับตั้งมั่นจริงๆแล้วมันคืออย่างเดียวกันแต่เจ้าของคําถามเนี่ยคงจะมามีสติอยู่กับจิตคือเจ้าของคาถามคุณคือคุณวันนาเนี่ยอาจจะเลือกจเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติเลยอยู่กับจิตเลย โดยที่ไม่ได้ต้องมาดูลมหายใจไม่ต้องมามีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจซึ่งได้เหมือนกันมันก็คืออย่างเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราว่าทําอันไหนแล้วจิตตั้งมั่นล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลสองคนนายกอกับนายขอนายกรเนี่ยก็เจริญสติปัฏฐานนายขอก็เจริญสติปัฏฐานแต่นายกรเนี่ยเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่สามารถกําหนดสมาธิแห่งจิตของตนได้จิตจึงไม่ตั้งมั่นนายขอเป็นผู้ฉลาดสามารถกําหนดสมาธิแห่งจิตของตนได้ สมาธินิมิตแห่งจิตของตนได้จิตจึงตั้งมั่นได้ถามว่าคนสองคนจเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันคนหนึ่งทำไม่ได้ผลอีกคนหนึ่งทำไม่ได้ผลเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่สามารถกำหนดสมาธินิมิตแห่งจิตของตนได้เพราะฉะนั้นก็ดูสิจิตเราเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้ด้วยการรู้อะไรรู้ลมหายใจก็ได้รู้เวทนาในลมหายใจก็ได้รู้ว่ามีสติอยู่ก็ได้ หรือรู้เห็นการเกิดขึ้นการดับไปก็ได้ค่ะทำอันไหนได้ผลเอาอันนั้นอ๋องั้นก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะคะถึงแม้มีสติก็เอาเลยค่ะถึงแม้ว่าจะคนละชื่อแต่จริงๆแล้วอยู่ด้วยกันคืออย่างเดียวกันแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันสมาธิจะตั้งมั่นอยู่กับอะไรมากกว่ากันใช่ด้วยอุบายแบบไหนเท่านั้นเอง คุณวนาคงจะสบายใจนะคะว่าทําถูกมาแล้วแต่นี้คนอยู่ทางบ้านก็บอกว่าก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าคุณวรรณาเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วแต่ทางบ้านเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนนะคะเหมือนอย่างกับคนจัดรายการก็บางครั้งก็ยังเอ้งงอย่างกับดิฉันจะถามเนี่ยนะคะคือสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตรม<ำ>ทีนี้ในส่วนของอคุณวรรณาก็บอกมาแล้วว่าดูในส่วนของ จิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาว่ารู้สึกอะไรเนี่ยว่ามันเป็นแค่นามธรรมใช่นะครับมันก็เลยเป็นสภาพรู้เฉยๆเป็นสภาพรู้รทีนี้ในส่วนของธรรมที่ท่าอาจารย์บอกว่า อ, อย่างกับให้พิจารณาเห็นธรรมในสิ่งที่เราพบเนี่ยเช่นเห็นการเกิดดับใช่ไหมคะทีนี้ธรรมมีแค่เกิดดับเท่านั้นหรือว่าจะพิจารณาอย่างอื่นได้ด้วยโดยบทพยัญชนะในพระพุทธเจ้าพูดถึงความไม่เที่ยงค่ะ มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกความไม่เที่ยงอันที่หนึ่งสองเห็นความจางกลายหายใจเข้าหายใจออกสาเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็หมายความว่าอันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะคะว่าจะซักซ้อมความเข้าใจว่าใช่หรือไม่ในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เห็นความไม่เที่ยง ใช่ไหมคะของการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยของอะไรก็ได้เหมือนกับอย่างสมมุติอยู่กับลมหายใจก็คือว่าความไม่เที่ยงหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดไปถูกต้องนะคะแล้วก็มันไม่ได้สั้นยาวเท่ากันอย่างนั้นหรอคะใช่เห็นความจางคลายนี่คือไม่สั้นสั้นยาวไม่เท่ากันหรอคะความจางคลายเนี่ยก็คือความเบาบางบางคนอาจจะเห็นความเบาบางของลมให้มันเบาไปได้<ะ>หรืออาจจะเห็นความเบาบางของจิตตัวเองบางที จิตเป็นลักษณะนี้มันเปลี่ยนสภาพไปได้ค่ะก็เบาบางลงคืออาการที่จิตจะไปติดจับอะไรเนี่ยมันเริ่มเบาบางลงจางคลายค่ะดับไม่เหลือคืออดูเหมือนมันหายไปมันก็คือดับไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ดับค่ะสรุปแล้วเห็นความไม่เที่ยงอันนี้จางทุกขังอนัตตนี้เรียกว่าเป็นธรรมในการพิจารณาอีกด้วยหรือเปล่าคะ่ะอันนีจางทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะสมมุติเราจะบอกว่าปากกาเนี่ยคุณสมบัติของมันนะ เป็นสีน้ําเงินทําจากวัสดุแบบนี้แล้วมันก็มีคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งคือมันเป็นอนัตตาก็คือมันเสื่อมไปได้แตกไปไดค้คุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเนี่ยทำให้เรารมีผล3ามอย่างคือคําว่าอนัตตาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเอามาใช้คนแรกเพราะฉะนั้นการที่เราจะพระพุทธเจ้าจะอธิบายคอนเซป ต, ต์ของคําว่าอนัตตาเนี่ยจึงต้องอ้างอิงถึงสิ่งที่เขามีกันอยู่ก่อน อะไรล่ะที่เขามีกันอยู่ก่อนลัทธิต่างๆความเที่ยงความไม่เที่ยงอะไรต่างๆผู้เช่าเขาบอกว่าอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์อาศัยที่เหตุที่มันเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นแหละเรียกว่าอนัตตาคือพยายามที่จะอธิบายคําว่าอนัตตาโดยอ้างอิงถึงคําว่าทุกขงังโดยอ้างอิงถึงคําว่าอนิจจงเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นคุณสบัติของมันคืออนัตตาถูกปะสิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยเรา สิ่งอะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะต้องพิจารณามันด้วยคุณสมบัติอีก3อย่างว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรายกตัวอย่างเช่นอัปากรานี่เหมือนกันคือเมื่อก่อนมันไม่มีใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นมาแสดงว่าความเป็นอยู่ของมันอยู่ตอนนี้มันมีอยู่แต่ถ้าเราจะบอกว่าปา ก, กามีอยู่มันก็จะไม่จริงในอีกข้างหน้า ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นอากาลิโกเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปากกาเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเสื่อมไปได้ถ้าปากกามันหกักมันพังนะคะมันก็จะไม่เป็นปากากามันก็จะไม่เหลือความเป็นปากกาก็จะเป็นชิ้นส่วนของปากกา<ช>ค่ะงั้นถ้าจะกลับไปถามท่านอาจารย์อีกในกรณีที่บางคนก็บอกว่าก็มาสายอานาปาเนี่ย อ, อยู่กับหายใจนะ เพราะว่าฟังรายการนี้เนี่ยบอกว่าพระพุทธ เ, เจ้าสันเสริญการเจริญอาณาปานาสติคือการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกใช่้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญาที่จะทำให้เหมือนกับเราเจริญสติปัะฐาสีมันจะเกิดเองโดยอัตโนมัติไหมคะอาศัยอะไรเป็นเหตุก่อนปัญญาจะเกิดเนี่ยปัญญาจะเกิดเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิ ค, คนจะมีสมาธิได้อาศัยอะไรเป็นเหตุก่อนมันก็ต้องมีสติ เพราะฉะนั้นถามว่าเราเฝ้าดูลมหายใจเนี่ยคือหนึ่งเราทําถูกหรือเปล่าก็คือว่าเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคือไม่ใช่เฝ้าดูละเพลิอนไป<ะ>แต่เฝ้าดูอย่างมีสตินะฮะเปรียบเสมือนกับป้อมยามมีนายมีมียามอยู่ข้างในยามเนี่ยเห็นคนเข้าคนออกแต่ไม่ตามไปนี่เราทําหน้าที่อย่างนี้เรากําหนดจิตนะจิตของเราอยู่ที่จมูกหรือในโพรงจมูก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไม่ตามไปมีสติอยู่แค่นี้แล้วถามว่าปัญญาจะเกิดได้ไงปัญญาจะเกิดเนี่ยอาศัยว่าเรามีสมาธิภูริชาติบอกว่าพึงเธอทั้งหลายงจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อจเจริญสมาธิแล้วจะรู้จะเห็นได้ตามที่เป็นจริงก็แปลว่าขอให้ทําในขั้นต้นให้ถูกต่อไปจะรู้จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ขอให้ทําให้จริงนะคะให้มีสติกต้องมีสมาธิต่อไปปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดได้ ค่ะวันนี้ก็คงจะเข้าใจกันน่าจะกระจ่างไปเลยนะคะว่าจริงๆเราไม่ต้องไปแยกแย ะ, ะเพ<ข>ราะว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองอนะคะทั้งอนาปานาสติแล้วก็การเจริญสติปัฏฐาน4นะคะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องร่ำลากันเลยส่วนที่ต้องการส่งคำถามมาแบบเนี้ยแบบคุณวรรณานะคะที่ w o r l e d w i d e plthamma p u r e d h a m m a Slash สแลตหนึ่งศูนย์อ๋อ .com ก่อนแล้วค่อยสแลตจ้ะ .com <oughs> ค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์มาแต่เพียงเท่านี้นะคะจ้าเรินพรและสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการสันสนีสนทนาทุกท่านจากที่ชันสันสนีนานพงษ์ค่ะสวัสดี